มาปฏิบัติธรรมะนี่คือมาปฏิบัติเพื่อให้รู้ตัวเห่าสิ่มาแก้ปัญหาตัวเหาการแก้ปัญหาตัวเหานั่นก็คือแก้บบให้มันโกดเกิดขึ้นบบให้มันหลงเกิดขึ้นถ้ามันมีโกธมีหลงมีโลภเกิดขึ้นแล้วโบเมียงการปฏิบัติธรรมะแบบนี้เนียพ่อปฏิบัติธรรมะ แดดนี้นั้นคือให้มันลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปถึงกับมันหมดสิ้นวัวาสังขรณ์พระพุทธเจ้าเพึนสอนแล้วพอไปสอนในตรงกันข้าเหมัอนใครได้ปฏิบัติธรรมะแล้วบบต้องทำมาหากินเนี่ยโต้องซื้อบอต้องขายโบต้องให้การโบรต้องให้งานเนี่ยขันคนหู้ธรรมะเนี่ยเข้าใจไปอย่างเั็ม อันนี้บุตรเมรุพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนขยันขันแข่งทำการทำงานตามหน้าที่เฮาเคยว่ากันเนี่ยสันทะหขมพอใจอย่วิธิเหวมเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาดำริตีต้องใจหว่านเป็นภาษาคำพูดที่เป็นธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าคนั้น ที่เป็นไพว่ากับบุคคลจากแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าตายไปนานแล้วสันทละพอใจคำว่าโคมพอใจเคำว่าได้่าสันทละก็ไรโคมพอใจโคมพอใจในการในงานของเฮาเฮามีการมีงานเขาต้องพอใจเขาจึงทําถ้าเขาพอใจเขากระบดทำนั่นว่าคือพอใจทําคือการงานเขากระบดเท่งพอใจทํา มาเจริญสติมาทําความรู้สึกนี่ก็พอใจทำความพอใจนี่ยเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทําได้คันพอใจทางผิดมันก็ทําไปในทางที่ผิดพอใจในทำถูกมันก็ทําไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นที่เนี่ยพอนํามาเล่าให้ฟังเนยมันเป็นของที่ที่ทุกคนทําได้ ทีแรกนี่ต้องทําให้รู้จักตัวเห่าคือวาให้ฟังนั่น <c oughs> เบื้องต้นวาให้ฟังหลายเธอแล้ววันนี้เมื่อรู้จักตัวเห่าเนื้อความคิดของเห่ามันจีงยาวมันไหลไปตามความคิดอันนั้นหลงนั่น่มันไปยึดอยู่กับความคิดมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกมันมาทํำนี้ให้มันอยู่กับความรู้สึกนี่ให้มันอยู่กับความรู้สึกเหา มันเคลื่อนไหวให้เขารู้สึกมันคิดให้เขารู้สึกอมความรู้สึกแล้มันทําหน้าที่ของมันคนเอื้อนสัญญาเมื่อกับกุญแจหันเขาปิดไว้ถ้าเอาลูกมันสอดใแล้วบิดบเบาๆมับไข่ออกมาหลดอันนี้ก็คือการเขาให้จังหวะเดินจงกรมมันรู้สึกมันคิดมันรู้สึกมันจี้ไข่ตัวมันเองไข่ออกมากระ นึ่งโทสะโมหะโลภะนี่ก็คอยจางไปเลยอันนี้แหละเป็นการทำบุญย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคุณว่าการทำบุญให้ทานที่เป็นวัตถุนั้นมีน้อยที่สุดบุกุ้มค้าเอาเลยทานร้อยบาทพันบาทมื่นบาทแสนบาทยให้มันละขวมโกรธขมโลกข่มดุงนิโบระโบระแท้ท บวชมาตั้งแต่ น, น้อยๆจนเท่าจนแก่จนตายเนาเข้าหลวงก็ยังโบนดโบนละเมียบัด น, นี้ทามาเหตุอันนี้มาทำข่มรู้สึกตัวนี่มันคิดเท่าก็รู้ ก, กัเห็นเข้าใจมันสามารถที่จะละได้ไม่ว่าการทานทนยอมสนันาทานทาั้งปวทานวัตถุนั้นทานได้ทุกคนแต่หักโบเลิก อันนี้บริษัทบริษัหยิบยกออกให้ผู้ใดอแต่ว่าเขาเห็นคนเอื้อนฐานธรรมอันทานคําพูดเว่าวสุฟันกับเมนเขาเสียดสละอันนั้นผู้ใดยินดีถูกต้องนี่เถมันหากเสียสละได้ยังคันเมื่อเขาเข้าใจแล้วอย่างมันเป็นมาเขาจะจีดถัน ร, รู้สึกตัวทันทีเขาก็จีดป้อยจีวางทันทีจีน่าใจอันนี้แหละทางที่ดีที่สุด แล้วก็ยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาซื้อขายปลูกผักปลูกงากินได้อยู่คนคันบู ก, กินมันก็ต้องจอยต้องผอมต้องตายเพื่ออย่าว่าให้ทุกคนทําการทํางานตามหน้าที่อันหน้าที่ของเฮานี่ทุกคนก็จิรู้เกิดมาแล้วมันต้องทงาํางานบ่ชทางานบวได้เพื่อว่าคนเอาเปรียบสังคมเป็นคนเครียดค้านเพื่อว่ากัน คนบุให้เหตุกางณ์พรพุทธเจ้าจีว่าให้ขยันมันเพี้ยนเหมือนว่าคำว่าขันติโสระจะคนหอสร้างว่าขันติก็อดทนต่อการต่อง า, ตอ า, ตอาตอนต่อแดดต่อฝนเนี่อดทนทำขันบุอดทนในทางการงานขบวอแล้วแดดมาฮ้อนฝนตกมาหนาวการงานกขบวแล้วคนว่าจะีว่าอดทนอันนี้คือกันตอนเศร้าตอนเย็นมือสวย มันฮอนเมื่อสวยมาตอนเศร้าสบายตื่นมาก็ต้องลุกล้างหน้าล้างตาแล้วก็แปรงฟันหมดหรือทีแปรงฟันคนก็ได้ให้จังไหนก็ได้แล้วเรื่องเขาเคยให้เคยทำในขณะที่เขาล้างนะเขาก็รู้สึกตัวเขาเบิ้งโลดไปเดียวรวมคิดเขาเบิ้งตูนเบึ้งโตเขาผมไม่ใช่เบึ้งอย่างสิได้เบิ้งมันเคลื่อนมันไหวคนนี้ให้เขารู้สึกตัวตันเคลื่อนมันไหวคนนี้ทําอันนี้แล้ว เป็นอ น, นันต์คุณแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยหามกดสวิฟที่แสงมาไปสว่างอยู่หลอดคุณขันคนโบสลาดเทิงวินาใต้ไฟฟ้ามาจุดไฟฟ้าไปใต้ไฟไปไปจุดไฟไปคนก็เคยจุดไฟฟ้าแบบนี้จี่ไปมุนอยู่หลอดไฟพุณหมุนจนตายก็โบมีแสงไฟเป็นอ น, นั้นอันเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็คือกันเฮาเฮ็ดจนงจะตายคุณอยากได้บุญ บุญนั้นไม่ยัง้งเพื่อจิไปละข่มโก้นี่เองละข่มโลภนี่เองละข่มหลงนี่เองถ้าหากเขาทําบุญให้ฐานแล้วยังบุละจําพวกข่มโลภข่มโกดข่มหลงสามอย่างนี่ก็ว่ามีประโยชน์มิยัง้งให้จนตายจะบุได้ประโยชน์มิยั้งนน่นอนให้ฟังวันนี้คนสลาดบันนี้ถึงเวลาตอนเย็นมาผู้น้อยกระร้างผู้ใหญ่กระตามแต่เปิดสวิตช์ไฟฟ้าไปเนือไป ไตไฟไปมันจีบวาสาบ้านเราเลยว่าไตไฟผู้น้อยมันเคยเห็น่อ้แลนเข้าไปไปกดซีบปั๊บไฟมันจีเป๋สว่างอยู่หลอดผุดมันโ่มสว่างอยู่บนสวิตช์เด้อันนี้ก็คือกันพอดีมันโกดมันทําำขมรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวมันเองเป็นว่าสัญญาเพราะมันมีขมรู้เนี่ยสัญญาเป็นขมรู้จําได้เป็นว่ามันจังได้เพราะตัวมันเอง ได้ไปทํางานตามหน้าที่ของมันเองมันไว้เมื่อตัวมันเองทํางานตามหน้าที่ของมันเองแล้วกับมันก็เป็นเองอย่าห่อนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันบูมีโทสะโมหะโลภะนี่มันบูเกิดอยู่นี่นี่มันอยู่ใส่สมันก็อยู่นี่แหละหากบูเห็นมันพอหนว่าคมรู้สึกมีบ่วเดี๋ยวนี้หอบพิษตาก็รู้ทันทีเคลื่อนตัวหอบรู้ทันทีมันนี้อันนี้มันเหตได้อันนั้นเหตบูได้เอนนีเบื้องต้นที่สุดอันนี้ ได้กระแสพระนิพพานน่ะเนี่ยได้ต้นทางแหละคือว the ่าเหตุจิตเหตุใจเขาแล้วมันคิดเขาคิดเขาหู้มันจิโกดแบเนี้เขาก็เห็นตัวหูอันนี้ถ้ามันเห็นก่นเห็นอารมณ์พอดีก่อนเห็นโทสะเหตุโมหะเหตุโลภะพอดีก่อนเมื่อเห็นโทสะเหตุโมหะเห็นโลภเขาก็หูจักและเบิร์นเวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้เขาเห็นเวทนาเพร่ะว่าสวดอารมณ์สวดอเมรุปุทโขคันเนี่ย สัญญาเพื่อกะว่าจําได้จําอันมันได้จําอันมันโทสะโมหะโลภานั่นเลยสังขารเลยบอให้มวลมาปรุงแกงวิญญาเกไปว่ารู้อันนี้เพื่อนขันซีฮาว่าเนขันห้าขันขันขันเดียวน่ขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภบน้อยภบใหญ่ก็ดีฮาวาเฮาวาซื่ออาจิบุหะจักนี่ขันห้าคือรูปรูปอันนี้นั่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเรีขันห้าขันสี่บัดเนี่ยกับเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันขันหนึ่งบัดเนี่ยขันเดียวเนี่ยมันท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏะทรงนะคือตัวสังขารขันฮาวาไปตามภาษาว่าภาษาบันคือตัวคิดอืตัวคิดมันเที่อาพุ่นเทียพีในวัฏฏะอย่างนั้นดังนั้นเมื่อมองหูจักอันนี้ มันก็จืดกระจ่างไปหลดมันจืดมันจางไปแล้วหากะโบทุกเนี่ยเป็นวาจางกันขันตัวนั้นมีสินเนี่ยอันสินขันเนี่ยโมเนสินห้มเมนสินแมเนสินสิบโมมนสินสองร้อยี่สิเจ็ดมเมนสินสามรอยสินขันนี่มันหมายถึงรูปขันก็มีศินเวทนาขันก็มีสินสัญญาขันก็มีศินสั่งการขันก็มีศินวิญญาณขันก็มีสิน เพเอื้นสิห้าห้าตัวนี้มีสินเฉพาะตัวมันสินนั่นจึงหมายถึงการปกติมันเป็นปกติของมันอย่างซีมันรักษาหน้าที่ของมันเป็นอย่างซีอันนี้เพราะเอิ้นอารมณ์ของวิปัสสนาคันท่าห้าเฮาปฏิบัติจริงๆมาจิ้งหัจั ก, ย อ, จจ ก, จจกอย่างซีผู้อื่นท้าิ้งหัจักอย่างไหนบุหูวจักอะไรเน่ยพอหูวจักอย่างซีเห็นอย่งซีจึงเข้าใจอย่างซีเมื่อเห็นอย่างซีแล้วก็รู้จัก กิเลสขว่าจะซื้อกิเลสทะเบียนตัณหาอุปาทานกรรมกิเลสคืออย่งมันเป็นอย่างเหนียวมันติดเสื้อติดผ้าเาหรือมันซักบื่อออกแล้วเาเอาน้ามันดินซินบรืน้ามันแก๊สมูนเนี่ยไปใส่แล้วเอาแปรงถูบเบาๆก็ออกได้กิเลสตัณหาเอาเสียขวบหนักเข้าไปบันนี้เขาพยายามเท่ า, เาให้มันเบา อุปทานเนี่ยแน่นบริหาพยายามถอนลากถอนคนออกกำมเพราะการกระทําเป็นวิบากสวยทุกสวยซุกคนว่าอย่างไรเห็นอันนี้แหละเข้าใจอย่างสิ่เมื่อเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จื้อจางไปแล้วก็ยังทําการทํางานอยู่เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดโฮเฮ็ดสวนอยู่ซื้อขายได้อยู่คนคันโบเฮ็ดให้บบเฮ็ดนา โบปุกขักโบปุกง่าโบซื้อโบขายสิกินยังมันก็บ่มีเนื้อกินแล้วบ่มีเนื้อกินคำกล่าวคนเกลียคารการงานโบเอาการโบเอางานคนผู้หั้นก็ถือว่าเอาเปรียบสังคมผลประยน์ของกันจังวัหน้าที่ของต้องหู้จักถ้าเขาไปเห็นเขาโมูหแล้วเขาก็จะเอาใจปากซื้อี่เข้าใจไหมเมื่อเห็นเนื้อสีแล้วก็หู้จักรถขันนี่มันท่องเที่ยว มันอยู่ในภบน้อยพบใหญ่คือดีบ้างซัวบ้างทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาเนี่ยทำดีด้วยใจสามอย่างวันนี้ทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจพร้อมกันทั้งสามอย่างนี่เป็นอันเดียวขอที่เห็นได้หูได้ถ้าหากสวรรค์มีนรกมีของที่เป็นยังไนจิตไปเกิดอยู่สวรรค์สั่นใดไปตกนรกขุมใดของทีวันนี้ทำซัว ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสามอย่างในธรรมที่ดับสิ้นละสิ้ น, นบัด น, นี้ทําซัวด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันบาดเดียบเป็นสี่อย่างเท่ากันเอาซีไปตกนรกอยู่จากมือจากวัน จ, จ, จากปีจากเดือนถ้าห่างเอาโบได้ตกนรกเอาจีไปยู่สวรรค์จากปีจากเดือนเอาจีเดียวหุจากเอ็นโบมีไผซีมาบอกมาสอนหอยเองอันนี้ว่าสันทิติโกอันผู้รู้จกพึรเห็นเอง แต่พวกเทโบลูนันบหงส์แต่ว่าหักหูหูบนใดสันมันจะโบหงส์อารมณ์มันจะโบไปอย่างนี้มันจะไปติดปรคมสงบคลนลดเดียวขาดพุทธออกไปรถอเนอ่งนั้เมืเ่อขาดออกไปแล้วห่าเลยบหงส์จากอารมณ์อันนี้เมื่อโบหงส์จักอารมณ์นนม อ, อ, มอันนี้ก็สับสวนวุ่นวายเนี่ยเป็นว่าจากว่าเสี้ยดงจิงอยู่ใส่บหงส์จักอย่าพ่อเป็นเนื้อัตว์คอื่นจะเป็นเสีด้ดงบหงส์จักอย่างว่า เขามาฝึกอารมณ์มาอบรมจิตใจบ่ได้อบรมมันนอกจิตใจอมาฝึกความรู้สึกตัวอันนี้แหละพอดีถึงที่สุดมันคลายๆคือเพชรตัดหน้ากระจกเ น, นี่ยชี้ซื่อๆชี้ไปแก้ไปบข่ขาดกระจกไปแต่ว่ามันเป็นของอไปพอจับเข้าไปที่มันแตกตรงเตีย้ยบ่มีวี่แววสิเลยข้าจะตัดหน้ากระจกเบื่อไหมตัดหน้าแก้วอันนี้ก็คือกัน ลอยลาวจีบวมีเพื่อจงว่าให้รู้จักจริงๆอันนี้ทุกคนต้องเป็นสัตว์นิเทศได้อันนี้มันจิตเข้าไปถึงสัจจะคือความจริงเพิ่มเอิญสัจจะธรรมเมื่อเข้ามานี่ทุกคนต้องเห็นสภาพภาวะของจิตใจมันตายเลือดตัวเขาก่รู้จักว่ามันตายมันตายคือมันเข้าสู่สภาพของมันเรืยก่ามันตายมันจืด มันหดคล้ายๆคือเอาเนื้อเนื้อสดๆเขาเนี่ไปใส่กลือบุกไปใส่น้ากดไปใส่อย่างไรมันจืดมันหดเขา้ามันตายน่เพื่นว่าเนื้อมันชีบูโป่งออกมาเพื่อนว่าอย่างสัน้นแต่ห่าบุกมวยจักจีว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดผมครั้งเดียวผมพ่อที่เจ้าชีบูหย่าอองจากเธืเองมันทึกให้ว่าเลีงทึกน้องบ้านห่าวยันต่นกอนเนอะาเอาหน้าน้องไปยิงตัวเลีงตัวสัตว์ี่ ทึกได้มันหดเข้ามันตายไปหมดเป็นไงเฮาต้องทำรองเมืองถ้าห55าเฮาบูทำรองเมืองมาจีบูฮู้เมื่อบูฮู้แล้วก็จีว้าไปจับต้นทอนปลายบุหรีอันนี้เป็นจุดสําคัญที่เฮาทุกคนมาปฏิบัตินี่เมื่อเฮาเห็นจุดนี้เหล่ยเฮาจีรู้จักสภาพคําว่าตายในหมายถึงอันนี้และจะรู้จักวิธีตายจริงๆแต่ทุกคนนีบ่บาคน้นคนตายเนี่ยแต่ว่าจีรู้จักสิ่งเหล่านี้ หรือบนรู้จักสิ่งเหล่านี้เนี่ยอีกตึ่งเป็นปัญหาหนึ่งถ้าหากเขาบ่เห็นบ่หูซิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเรายัางบทแหงเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้เขาจีให้ฐานรักษาศีลยู่นั่นก็ยังบทแห่เข้าใจซึ่งเหล่านี้เมื่อหูจักเห็นหู้สัมผัสได้อยู่มันเป็นเองควรมเป็นเองนั่นแหละพูดว่ามันเป็นเองควรมเป็นเองนั่นแหละมันเป็นอยู่แล้ว แค่หากว่ายังบริธรรมหน้าที่ของมันโตสัญญาตัวนี้มันบริธรรมหน้าที่ของมันเขากอกว่าสัญญาความหมายรู้จําได้มันว่าซื้อๆเนี้ยคันมันทําหน้าที่ของมันแล้วมันหูวจักวิธีเอาลูกกวนแจกซ้อเซเมมันบิดไปเบื้องนั้นเบื้องนี้มันจู้หัจักเพราะมันตัวมันหูวจักเองเนี้อันนี้แหละพันว่าให้เ่าวหัวจักอย่าไปคิดว่าอาการเกิดดับอย่างนั้นอย่างนี้อนั้นกดีแล้วเพาว่า หัวพลิกมือขึ้นเป็นเกิดเป็นดับหัวพลิกตาเป็นเกิดเป็นดับหัวหายใจเข้าใจออกเป็นเกิดเป็นดับความคิดมันนึกมันคิดเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เกิดดับอยู่สั้นเปื้อนๆเห้อันการเกิดดับตัวนี้เหมือนกับนํากดเทใส่ผ้าห่อนำกดมจิลาลายออกไปแล้วก็ผ้าก็เปื่อยไปหมดมันเป็นอะไรสมมุดเหลือที่ว่าเนื้อสดๆได้ออกมา เอาไปเส้นน้ำเกลือพอดีทึกน้าเกลือแล้วเนื้อมันจีหดไปเมดมันเป็นอะไรคือกันมันเป็นเพียงสมบูติ์ไว้จุดนี้เนี่ยจุดสําคัญที่สุดที่เขามาเห็ดเนี่ยมันเนือ้อคมโกดคมโลบคมหลงอันนี้อันคมโลบคมโกดคมหลงน่ะเป็นเรื่องหนึง่งถ้าหากเข้ามาปฏิบัติในอย่างบุหจกรังซี่ยหอยจีเห็เหดแตอย่างอื่นอันนี้เพื่นว่าให้รู้จักเห็นแจ้งรู้จริงแต้หู้่นจักเห็นแจ้งรู้จริงแล้ว ก็จะได้ทำหน้าที่อยู่เด็กหน้าที่ของเฮามันต้องได้ทำเนี่ยบุธรรมบุได้คันบ่ธรรมเพราะจริว่าคนเอาเปรียบสังคมเนี่ยอันเรื่องบวชนี้พระพุทธเจ้าเพคนกับมาเห็นเขาบวชมาก่นแล้วแต่นักบวชซึบุธ ร, รหน้าที่กับจิมีหรือผู้ทำหน้าที่ก็บจิมีผู้ดีมีมากใครวันได้ไปผู้ซัวน่ะมีน้อยนักบวชกันเพราะฉะนั้นนักบวชนี่โอ้บุได้ทำนาทำส่วน บ้ได้คิดซื้อคิดขายแม้เข้าโรงพยาบาลเขายัางลดครึ่งให้เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล <c oughs> บางทีเขาซิบบ <c oughs> เอานําสซัพนะคันบ้นเม่นทงโรงพยาบาลเอกชนนะคันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เขาก็เอานั่นแล้วพราะเขาคิดค้าขายเนะี่ยมันเป็นอย่างไรจังหวะเมื่อบวดมาแล้วสิกะบ้ศึกษาบ้แล้วเรียนบ้ปฏิบัติตามหน้าที่กะแสดงว่าผิดหน้าที่ของเขาเนะี่คว้อมูลที่เราลู่มานั้น เมื่อกับใบไม้ในป่าสิอันเขาทำบุญให้ทานรักษาจิตกับเมื่อกับใบไม้ในป่าแก้ไมยา บ, บทันเป็นยารักษาโรคให้เขาหายได้ยาอันนี้รักษาโรคอันนี้หายได้โดยที่ว่าที่บ ก, กับคืนเนี่ยได้ขัดเป็นมะเร็งก็ต้องตัดเนื้อมะเร็งออกแล้วก็ใส่แสบให้ยาซีเข้าไปให้เนื้อนั้นตายปุ้งขึ้นมาใหม่พันวาอย่างสัน้นต้องเข้าใจ ย่าเสียดตคาร์นยาพูดยาคุยพยายามให้เขาถึงที่สุดของทุกและยาเป็นคนประมาทขันประมาทแล้วบบได้ผลเนี่าพอไว้ฝั่งซื่อเนี่ยแม้จะให้ใจเนี่ยกับโบเป็นเนี่ยอันนี้ขันถ้าโบเป็นถึงข่าวมันเหมือนกับเอาเม็เข้าออหรือคนละไม้ทุกอย่างไปปลูกไว้แล้วข้าบบวานะวุ้่แดงนั่ น, นสิแตกออกมาเนาะข้าบบต้องไปขัดโบต้องไปเชี่ยมัน เพียงแต่หารักษาอย่าให้หมุดไปขัดหรือเอาน้ำไปหลุดมันถึงเวลามันออกเองอันหอเหตุอยู่นี้ก็คือกันบ่ถึงเวลามันบโบเป็นต้องทําจริงทําจังเพิ่นว่าย่างนานจิตปีจิตเดือนนะท่านโบได้เป็นพระอราหันต์นั้นก็ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ต้องรู้จักอันนี้พระอราหันต์นั้นทํางานไปแล้วเรียบร้อยแล้วเพื่นว่าจัางตันดังนั้น เอามาเห็ดนี่บูถึงสามปีคิดเอาเองนี่เนี่ยว่าบูถึงสามปียังนานที่สุดลองให้ดได้มาติดต่อกับจริงๆไปไสมาใสไปให้ไปสวนคิดซื้อคิดขายรู้จักมันนึกมันคิดทิ้งทันทีเลยขยับเข้าขยับเขาอันนี้บูไม่เอาเงินไปซื้อได้บูไม่เหียนได้เองพวมเป็นเองมันจะได้ทําหน้าที่ของมันถ้ามันทําหน้าที่ของมันแล้วย่างถูกต้องแล้วนั่นเหละ คือข่มพ้นไปจากข่มทุกคือพ้นไปจากกิเลสอยางง่างหยาพ้นไปจากกิเลสอย่างกลางพ้นไปจากกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั่นคืออันนี้นี่แหละโตที่อย่างราวานี่เนี่ยเขาซิรู้จักกิเลสอย่างละเอียดตัวนี้พอตัดคาดเมื่อได้โอ้สิ่งเหล่านี้มันถึงกิเลสเขาจะไดือดจ้ากิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมาประมวลลงจุดนี้ถ้าหากมาทําจุดนี้แล้วก็เสร็จมัด เมื่อกับหาอยู่ที่มือพอดีกดไฟเึื่ปั๊บควมืดมันหายไปเองมันหายไปเองมันยานมันลึกจีวะอย่างไหนเมื่อกดไฟออกมาแล้วสว่างออกไปก็มองเห็นทะลุไปหมดเมืม่อหาอยู่ในธรรมอยู่ที่มือท่านบอคิดว่ามาันติแจ้งอย่างสี่เพราะเหาอยู่ในธรรมนี่บัด น, นี้เหาเออกจากธรรมในเรบูไตใส่ก็ได้บัดเนี้่ยพอว่าให้ฟัง พ, พระพุทธเจ้านี่เป็นคนมีปัญญาทำอย่างทุกสิ่งทุกอย่าง โบเดือดร้อนแต่ทันหทำด้วยปัญญาขันว่าใกล้ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายคนให้คนเป็นคนหมดไปให้เหลือดเยี่ยใจคนเป็นพระขจีวาห้าคนนะจ๊ะห้าคนเป็นคนหมดไปให้เหลือดเยี่ยใจควเป็นพระคนไว้โบเป็นพระอันยังเทหาวนี้เนี่ยอันนั้นได้พ่นพระจริงวะสิริของพระจริงลาบเลื่อนโบมีขึ้นโบมีลงบบมีสูงโบมีต่ํา บ่มีน้อยบ่มีใหญ่บ่มีขาวบ่มีดำเฉพาะเท่านั้นเองมีเฉพาะเท่านั้นเป็นอะไรบ่มันว่าสิมาเจริญรนิพพานแล้ไปซื้อเล่บบ่มนเน่นผิดแล้วผิดเป้าหมายอันนี้ปฏิบัติอันนี้บกเอานะหรือว่ามาเจริญรนิพพานนี่แล้วจี บ, บุหิให้บเหินานี่ยก็ผิดเป้าหมายอันนี้อีกแล้วมันผิดอย่างาจึงว่าให้หูจักถ้าบุหูจักแล้วจิตก็เขินสงสัย ทำการทำงานโบได้ผลดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยต้องทําการทํางานเมื่อเขาทําการทํางานตามหน้าที่ของเขาเลยเขาก็จีมีจินจีนมีไซ้ไปใส่มาใส่กรณสะดวกสบายถ้าหากเขาบม่รู้จักการบม่รู้จักงานโบทําการโบทํางานกับโมีจินโบบินไซสไปใส่มาใส่กระเดือดร้อนความเดือดร้อนนันเป็นโบเกิดของทุก ควานบ้เดือดร้อนน่ะเป็นบกเกร์ของควานบ้มีทุ